เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุณีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่แห่เหยือกกระแตเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตรวาสกุกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่า ท่าลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในกรุงราชครื่อด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคขลานะกําลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคขลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคขลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาต่อปัญหานี้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 ได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นภิกษุณีเปรตลอยในอากาศสังคาติบาทประคดเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลูกชนจนมันร้องครวนครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าสัจ จ, จริงไม่เคยปรากฏ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 แต่ไม่พยากรณเพราะการพยากรณ น, นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้าจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุณีชั่วในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมฆคลาณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัต วงเล็บเรื่องที่53าาม